หัวคิดปัญญาเพื่อรู้แจ้งเวทนาทั้งหลายอันเป็นหลักสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในจิตการกำหนดทุกขเวทนาด้วยวิธีเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนั้นท่านว่าเมื่อพิจารณาแล้วเป็นเรื่องเรากลัวทุกต่างหากไม่ใช่เรื่องสู้เพื่อรู้ทุกเพราะอิริยาบถปิดบังทุกขไม่สามารถมองเห็นทุกได้อย่างประจักษ์พอเชื่อตัวเองได้ในคราวจำเป็น การรู้เห็นความจริงในสัจธรรมมีทุกเป็นต้นนั้นรู้เห็นด้วยการต่อสู้ในเวลานั่งรู้สึกว่ารู้เห็นอย่างถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจจริงๆเป็นที่แน่ใจและเชื่อตัวเองได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่สะทกสะานวันไหวต่อทุกขเวทนาแม้จะมีความกล้าสาหัสเพียงไรในเวลานั้นตลอดวาระสุดท้ายคือความตาย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 ทั้งที่อาศัยอยู่ในร่างคนร่างสัตว์ชนิดต่างๆในสามภพทั้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในร่างใดๆเช่นใจของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพคือพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นใจบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงไม่ควรจะกลัวที่หาเหตุผลนกนไกยอะไรไม่ได้จึงเป็นเรื่องก่อกวนจิตใจให้ฟุ้งเฟอ้อขุนมัวไปเปล่าๆ เ, เพราะความคิดนั้นเป็นสาเหตุ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 คงเป็นความจริงอยู่ภายในใจตลอดไปนอกจากจะทำให้ชำนิชำนานและกว้างขวางในความจริงส่วนละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปจนรู้เท่า ล, ลับลอยวางได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นฉะนั้นการพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั่งนานๆก็ดีในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกก็ดีจึงเป็นทางให้รู้เห็นสัจธรรมอย่างเปิดเผยได้โดยไม่มีปัญหาสาหรับท่าน ที่เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาจริงๆแต่ทุกขเวทนาทั้งหลายยอมไม่เกิดประโยชน์แก่รายที่ท้อแท้อ่อนแอแบบนให้ทุกข์หายไปตามใจชอบโดยไม่ได้พิจารณาเพื่อหาทางออกอะไรเลยทุกข์ยังจะเป็นภัยแก่ผู้นั้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับที่คิดฝืนความจริงดังนั้นทุกข์แม้จะเป็นของมีอยู่ในคนและสัตว์ทั่วหน้ากัน จึงไม่ค่อยมีใครสามารถถือเอาประโยชน์จากทุกขนั้นได้โดยมากก็มักคว้าเอาทุกข์ที่ไม่พึงปรารถนานั้นๆมาเผาล่นตัวเองด้วยความคิดฝืนธรรมะแทนที่จะพิจารณาเพื่อ น, นำทุกข์สมุ ท, ทยัยออกจากกายจักใจตามส่วนที่ควรแก่ฐานะดังที่ศาสนาสอนไว้พระธุดงค์กรรมฐานท่าน มีความรู้ความเห็นผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากดังปฏิปทาที่นำมาลงเป็นเรื่องเป็นขแขนงตามที่ท่านเคยดำเนินมานับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากทั้งนี้จะว่าเป็นความคิดเห็นและการปฏิบัติที่ออกนอกลู่นอกทางก็ไม่ถนัดใจเพราะหลักปฏิบัติที่ท่านดำเนินนั้นเท่ากับหลักความจริงคือสัจธรรมได้อย่างสนิทไม่มีที่น่าต้องติ จะว่าปฏิบัติเพื่อความอวดตัวเย่อหยิงก็ไม่ใช่เพราะท่านไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวกับเรื่องภายนอกแต่เป็นเจตนาเพื่อฝึกทรมานตนโดยเฉพาะเท่านั้นแม้ผลที่ได้รับก็ถูกตามความมุ่งหมายของธรรมะคือรู้สัจธรรมอันเป็นหลักใหญ่ของศาสนาท่านอาจารย์มั่นเองซึ่งเป็นอาจารย์ของพระกรรมฐานสายนี้ท่านก็ดาเนินแบบนี้ และอบรมสั่งสอนสานุสิ์ตามที่ท่านเคยดำเนินมามีการสอนให้เป็นนักต่อสู้เพื่อรู้ทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นต้นสำหรับผู้เขียนเองไม่มีสติปัญญาสามารถจะนำปฏิปทาแง่ต่างๆของท่านมาวินิจฉัยเป็นเพียงคิดไปตามประสาว่าถ้าเรามีความอดาหานสามารถต่อต้านกับกิเลสกองทุกในขันในจิตของตนได้อย่างท่าน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 จึงได้แต่นำเรื่องท่านผู้อื่นมาเขียนลงให้ท่านผู้อ่านทราบซึ่งอาจเป็นประโยชน์บ้างเท่านั้นเพราะคนเราต่างมีนิสัยวาสนาลึกลับอยู่ภายในไปคนละแง่คนละทางท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทกันท่านผู้อ่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายย่อมมีวาสนาบุญญาพิสมภานมาก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 เราจึงพอมีทางคิดดัดแปลงแก้ไขกิเลสชนิดลดโลดพลผ ล, ผลชอบโดนเรื่องนั้นชอบชนเรื่องนี้อยู่เสมอให้อยู่ในความพอดีงามตาเย็นใจได้บ้างไม่เป็นกิเลสที่แสนงอนเอาใจยากดังที่เคยเป็นอยู่ซึ่งโดยมากมักคล้อยตามันแทบทุกกรณีจนมันได้ใจและกลายเป็นกิเลสที่เอาแต่ใจตัวและาพาประพฤติฝาฟันต่าง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 ที่เป็นคนทั้งคนแต่ยอมปล่อยตนเป็นสะพานทอดให้กิเลสชนิดต่างๆไต่ข้ามศีรษะเหยียบย่าไปมาราวกับสัตว์ที่ตายแล้วผู้เขียนเพียงคิดเรื่องกิเลสเอารัดเอาเปรียบเราเท่านั้นก็นึกโมโหขึ้นมาโดยลืมนึกไปว่าความโมโหก็คือกิเลสตัวหนึ่งซึ่งกําลังไต่ข้ามศีรษะเหยียบย่าไปมาอยู่เช่นกันแต่การนึกโมโห เพื่อจะเอารัดเอาเปรียบเอาใช้ชนะกิเลสซึ่งเราเคยแพ้มันมานานนั้นรู้สึกจะไม่เป็นกิเลสชนิดที่ทำให้คนเสียอความโมโหให้กิเลสเพื่อแก้แค้นกิเลสของตัวกลับเป็นการเพิ่มพูนกิเลสให้มากมูลขึ้นแล้วก็คงไม่มีท่านผู้ใดผ่านพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเป็นคนใจจืดไม่มีมานะฮหึดฮัดสู้กับมันบ้างเลยตามสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ทั่ ว, วไป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 พระทุดงบางท่านเล่าว่าความโกรธแค้นระหว่างกิเลสกับท่านรู้สึกจะไม่ผิดอะไรกับข้อธรรมสงครามกันมันมานะมันเคียดแค้นจนเห็นได้ชัดจริงๆเวลาสู้กับกิเลสตัวสาคัญในคราวสาคัญจนไม่ยอมลดรา ว, วาศอกให้กันเอาเลยกิเลสก็เก่งไปทางหนึ่งพี่ชอบเอาชนะเวลาเราเผลอตัวเราก็เก่งไปทางหนึ่ง ที่ชอบเผลอตัวให้มันอยู่เสมอทั้งที่ตั้งท่าไม่ให้เผลอก็ยังเผลอให้มันจนได้ตอนรู้สึกตัวว่าเผลอให้กิเลสเอาของดีไปกินเกับหมดแล้วนี่แหละมานะมันก็ขึ้นความโมโหก็ขึ้นความเพียรที่ได้รับการสนับสนุนจากมานะกับความโมโหก็เร่งใหญ่จนไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักสุขและทุกข์อะไรเลยเวลานั้น มีแต่ฟาดฟันหันแหลกกันจนสุดฝีมือของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่มีอยู่ว่าจะเอาชนะมันได้แต่ละทอดเราแทบตายไปก่อนให้มันเป็นผู้เผาศพเราก็ยังมีในบางครั้งราะความเพียรกล้าหวังเอาชนะกิเลสเป็นทอดทอดไปท่านว่าผมเองถ้าไม่มีมานะความโมโหเข้าช่วยรู้สึกทำอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอัน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 จะไม่ติดต่อกันตลอดไปจึงได้อาศัยวิธีนี้ช่วยตัวเองตลอดมาพอธรรมะสองข้อนี้ห่างจากตัวบ้างกิเลสขยับตัวเข้ามาทันทีจำต้องจับธรรมะนี้แนบกับตัวอยู่ตลอดเวลาจนสงครามระหว่างเรากับกิเลสตัดสินกันลงอย่างเด็ดขาดแล้วโดยฝ่ายเราเป็นฝ่ายชนะทุกประตูนั่นแหละจึงจะพอผ่อนคลายตัวลงได้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 ผู้เขียนถามว่าเวลานี้ท่านกรองบ้างหรื อ, อยังตอนนี้ท่านไม่ตอบเลยมีตายิม้มเท่าที่ทราบมานี้ก็พอจับเนื้อนสาราสำคัญได้ว่าความมุมานะและความโมโหให้กับกิเลส ท, ที่มีอยู่ในตนและทำการแก้ไขหรือแก้แค้นกันด้วยวิธีต่างตามอุบายของมรรคคือสติปัญญา ธรรมะทั้งสองนี้น่าจะกลายเป็นธรรมมคือทางมัคอันเป็นฝ่ายแก้มานะกับความโมโหโนี้ก็ไม่เป็นกิเลสถ้าเทียบก็เท่ากับน้ำยอบเอาน้ำบง่งปกติของน้ำเวลาปากคนก็ต้องเจ็บปวดเวลานำมาบ่งน้ำออกจากเท้าก็เป็นประโยชน์มานะกับความโมโหโถ้านำไปใช้ในทางผิดก็เป็นกิเลสและเกิดโทษได้ตามส่วนของมัน เมื่อนำมาใช้ในทางที่ถูกก็เป็นธรรมะและเป็นคุ ณ, ณประโยชน์ตามส่วนเช่นเดียวกันดังพระธุดงท่านใช้เป็นธรรมะโอสถแก้กิเลสชนิดต่างๆประจำความเพียรท่านเสมอมาข้อนี้ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างจริงใจทั้งนี้พอทราบได้จากวิธีการฝึกทรมานของพระพุทธเจ้าที่ทรงสละทุกอย่างเพื่อเอาชนะกิเลส ท, ทั้งมวลแม้พระชนชีพ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 การฝึกทรมานตนด้วยอุบายวิธีต่างๆที่เห็นว่าควรแก่การถอดถอนกิเล็ดบาปทำทั้งหลายได้ย่อมต้องมีธรรมะทั้งสองนี้เป็นเครื่องสนับสนุนไปทุกระยะการเพื่อใจจะได้มีความอาจหานและต้านทานกับสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในเต็มความสามารถไม่ อ, อ่อนแอท้อถอยในเวลาเข้าสู่ตาจนซึ่งมักมีอยู่เสมอในวงความเพียร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 หน้าหัวเราะหน้าอิดหนาระอาใจหน้ากระยิมยิ้มย่องจนพันธนาไม่จบดังท่านว่ากิเลสพันหตันหา108ซึ่งซองสุมเรียงรายดาดาดขวางหน้าปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นเส้นทางผ่านไปไม่มีเว้นระยะที่ผู้เดินทางจะพอหายใจได้บ้างเลยกิเลสทั้งมวลที่พันธนาไม่จบสิ้นลงได้นี้ล้วนมีอยู่ในตัวสัตว์โลกเต็มไปหมด ไม่ปรากฏรายใดว่าจะไม่มีสิ่งโรครุงรังเหล่านี้ซ่องสุมอยู่เลยผู้เดินทางสายนี้ต้องใช้สติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรเป็นเครื่องบุกเบิกพอผ่านไปได้เป็นระยะระยะโดยมีความมุมานะเป็นต้นช่วยสนับสนุนถ้าเป็นรถยนต์ก็เท่ากับเกียร์ช่วยให้รถมีกําลังบุกตมบุกโครนจนผ่านพ้นไปได้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 ก็ยิ่งทุ่มเทกำลังทุกด้านลงชนิดไม่คำนึงถึงเป็นถึงตายกันเลยมุ่งจะให้งานนั้นๆสำเร็จตามใจหวังโดยทายเดียวดังพระธุดงท่านฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆตามที่เขียนผ่านมาล้วนเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานเป็นหลักชัยไร้ทุกความกังวล น, น้อยใหญ่ทั้งสิ้น จึงกล้าเสียงต่อความทุกข์ความเป็นความตายไม่เสดายชีวิตเช่นท่านเดินเข้าไปหาเสียงเสือที่กำลังขู่คำรามกระหึม่มกระหึ่มอยู่อย่างน่ากลัวถ้าเป็นเราๆท่านๆก็น่ากลัวจะสิ้นลมหายใจซะก่อนทั้งที่เสือยังไม่ได้เข้ามาถึงตัวเลยส่วนท่านผู้กล้าตายเพื่อธรรมะอันเลิศยังอุตส่าห์เดินไปหาเสือได้อย่างน่าชมเชย ซึ่งนับจำนวนเป็นร้อยๆคนจะหาสักคนก็น่ากลัวจะหาไม่เจอเมื่อเทียบเราเทียบท่านที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นท่านจึงควรเป็นผู้ได้รับคำยกย่องชมเชยและเทิดทูนอย่างถึงใจว่าเป็นเลือดเนื้อแห่งนักรบของสักยะบุตรพุทธชิโนโรสผู้กล้าตายในสงครามจริงๆสมกับคำเปล่งวาจาถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะนับแต่วันเริ่มบวช ผู้กล้าตายถวายชีวิตเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาด้วยใจจริงเป็นบุคคลที่หาได้ยากและเป็นพระที่หาได้ยากสมกับธรรมะเป็นธรรมชาติที่เกิดได้ยากมาดั้งเดิมผู้เพาะธรรมะเพื่อให้เกิด น, นิสัยสันดานชนิดประจักษ์ใจนั้นจึงมักเป็นผู้กล้าเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็ยอมสละได้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 ท่านที่กำลังนั่งภาวนาอยู่ในมุง้งทั้งที่เสือแอบเข้ามาดูจนถึงมุง้งท่านที่ภาวนาแต่หัวค่ําจนสว่างท่านที่อดอาหารภาวนาเป็นลหลายวันไม่ฉันท่านที่เดินจงกรมแต่หัวค่ําจนสว่างท่านที่พยายามภาวนาอยู่ด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินนั่งนอนไม่นอนเป็นคืนคืนและในบรรดาความเพียร ที่ท่านพยายามทำอย่างเด็ดๆเผ็ด <ๆ S 1> เผ็เ ด, เดร้อนๆ้อนไม่กลัวความทุกข์ความตายเหล่านี้ถ้าไม่มีความมุมานะแบบเอาชีวิตเข้าแลกจะสามารถฝืนความทุกข์ความทรมานไปได้อย่างไรต้องล้มเหลวไปยังไม่เป็นท่าแน่นอนแต่เพราะความเพียรแบบมุมาณนะเอาตายสู้นี่แหละแทนที่ท่านจะเป็นทุกข์หรือล้มละลายไป กิเลสเป็นฝ่ายล้มละลายหายซากไปจากใจไม่มีเหลือกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆเหนือสิ่งที่เคยกดทวงใดๆดังนั้นความมานะ ก, ก็ดีความโมโหเคียดแค้นให้กับกิเลสของตัวก็ดีจึงเป็นบาทฐานและกำลังช่วยให้งานที่ทำเสร็จลงได้โดยปราศ จ, จากอุปสรรคนักปราดท่านจึงชมเชยผู้เอาชนะตนว่าเยี่ยมกว่าเอาชนะผู้อื่น หรือสิ่งอื่นเป็นไหนๆดังบทธรรมะว่าอัตตาหาเวชิตังเสยโยชันาตนนั่นแหละประเสริฐสุดโดยเหตุที่ความมุกมานะกับความโมโหให้กิเลสของตัวจึงเป็นบุภาพประโยคที่จะให้ถึงความเป็นผู้ชนะตนโดยสมบูรณ์ คำว่ามานะนั้นมีสองความหมายนะครับในทางพระโดยทั่วไปคำว่ามานะจะหมายถึงการถือตัวถือตนแต่ในที่นี้หลวงตาท่านเน้นไปที่คำว่ามุมานะคือความเพียรพยายาม